แล้วก็ขออนุมโมทนานในครั้งนี้ก็มากล่าวในเรื่องของในสุตตันตปิฎกทีขณนิกายมหาวัชในมหาปรินิพานสูตรในครั้งที่แล้วก็พูดในเรื่องของ อปปริหานิยธรรมในหลักอปปริหานิยธรรมที่กล่าวเข้าไว้ในครั้งที่แล้วที่พูดถึงในเรื่องว่าภิกษุเข้าไปตั้ง กายกรรมมีเมตตาในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่รับและในที่แจ้งภิกษุทั้งหลายยังจักเข้าไปตั้งวจีกรรมมีเมตตาในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่รับและในที่แจ้งภิกษุทั้งหลายยังจักเข้าไปตั้งโมกกรรมมีเมตตาในเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งแล้วก็ภิกษุ ทั้งหลายยังเป็นผู้บริโภคปัจจัยที่แบ่งปันกันโดยราบทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยชอบทรรมได้มาโดยชอบทรรมโดยที่สุดแม้ภิกษานับเนื่องในบาตเป็นผู้บริโภคร่วมกันกับเพื่อนพรมจารีทั้งหลายผู้มีศีลประการที่5ภิกษุทั้งหลายยังมีศีลทั้งหลายที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สารเสริญอันตันหาและทิฏฐิไม่แปดเปื้อน นำไปสู่สมาธิภิสูุทั้งหลายจักถึงความเป็นผู้เสมอกันกับเพื่อนพรมจารีทั้งหลายอยู่ในศีลเห็นปานนั้นทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งประการที่6ภิิสูจทั้งหลายยังมีทิฏฐิที่เป็นอริยะเป็นเครื่องนำออกจากทุกภิสูจทั้งหลายจักยังเป็นผู้เสมอกันกับเพื่อนพรมจารีทั้งหลายด้วยทิฏฐิเห็นปานนั้น ทั้งในที่รับเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกทั้งปวงของผู้กระทมนั้นอริหานิยธรรมหกประการนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารานิยธรรมคำว่าสารานิยธรรมเนี่ยก็แปลว่าธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันแล้วกันนี่เป็นงนี้นะก็เรียกสารานินยธรรม ทมที่เป็นเหตุเห็นการระลึกถึงกันในครั้งที่แล้วก็พูดไปเกี่ยวกับเรื่องว่าเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภคีสีรสามัญญตาแล้วก็ทิฏฐิสามัญญาต า, ส า, ญญ า, ตาสารานิยาก็คือทมที่ควรให้ระลึกถึงกันเนี่ยมีเมตตังเมต ตากายกรรมหรือเมตตังกายกรรมมังน่กายกรรมที่พึงกระทําด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาหรือว่าวจีกรรมที่กระทําด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตามโนกรรมที่กระทําด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาถ้าเมตตากายกรรมก็คือว่าถ้าสามารถเห็นภิกษุทั้งหลายแม้ระหัดทั้งหลายก็นำไปใช้ได้บอกว่าในหลักข้อนี้ ตั้งกายกรรมไว้ในเพื่อนพมจันท ร, ร์ทั้งต่อหน้าและรับหลังคือช่วยเหลือกิจธุระผู้อยู่ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจแล้วก็แสดงกริยาอาการสุภาพเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยไม่ใช่แต่ภิกษุเท่านั้นแม้คราวาสก็นําไปใช้ได้ก็คือหลักการแสดงออกในกายกรรมหนึง่งที่บอกว่า สำหรับภิกษุทั้งหลายบำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกวัดวัดอันเกี่ยวด้วยการประพฤติอันดีธรรมเนียมเกี่ยวกับมัญญาตและความเป็นผู้ที่ดีงามด้วยเมตตาจิตชื่อว่าเมตตากายกรรมถ้าเครือหัดละกรมเมียที่ว่าการเดินทางไปเพื่อไหว้พระเจดีไหว้โพธิพึกหรือนิมนต์ระสงค์การเห็นภิกษุทั้งหลาย ผู้เข้าไปสู่บ้านเพื่อบินทบาตและลุกขึ้นต้อนรับการรับบาการปูอัสนะหรือการตามส่งอันนี้เป็นเมตตากายกรรมนี่เป็นอย่างี้นะสำหรับภิกษุทั้งหลายเนี่ยถ้าบอกว่าการสอนอาจารบัญญัติการสอนกรรมฐานการแสดงทมการบอกพุทธพจน การบอกว่าไตรปิฎกอัตถกถาดีกาแก่ภิกษสุสัมเนรหรือแก่ ญ, ญาติโยมทั่วๆไปด้วยเมตตาจิตอันนี้เป็นเมตตาวาจีกรรมคลรวาสก็เหมือนกั น, นเนวราธิกาบอกว่าพวกเราจักไปเพื่อไหว้พระเจดีจักไปไหว้ต้นศรีมหาโพจักไปฟังธรรมจักไปบูชาประทีประเบียบดอกไม้ของหอม จากสมาทานสุจริตสามีกายสุจริตวจีสุจริตมนุสุจริตพวกเราจะถวายสวัสลากพัฒเป็นต้นเนี่ยการกล่าวการชักชวนในลักษณะอย่างนี้เป็นเมตตาวจีกรรมในหมู่ของฆราวาสหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าภิกษุทั้งหลายการลุกขึ้นแต่เช้าตู่การกระทาปฏิบัติจรีงละ การทำวัดทีรานพระเจดีนั่งบนอาสนะที่สงัดก็คิดบอกว่าภิกษุทั้งหลายในวิหารนี้จงมีความสุขไม่มีเวรไม่มีทุกข์จงเป็นผู้มีความสุขปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานประพฤติปฏิบัติจนเป็นปัจจัแยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานกันทุกๆ ท, ท, ท่านนะเนี่ยการส่งใจไปในเพื่อนพมจรรย์ทั้งหลายอย่างเี้ยอันนี้เป็นเมตตามนกรมเน ถ้าคารวาตก็เหมือนกันถ้าหากว่าคิดถึงพระก็บอกขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขไม่มีเวรปราศจากทุกข์แล้วก็ประพฤติปฏิบติจนเป็นปจัจจัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นอันนี้เป็นเมตตามโนกรรมสำหรับคารหัดทั้งหลายคำว่าอาวิเจวะระโหจะทั้งต่อหน้าและรับหลังหนึ่ง การถึงความเป็นสหายการช่วยเหลือในจีวรกรรมเป็นต้นคือการช่วยเหลือในการทําจีวร ท, ทําบาตรทำผ้าอาสนะปูนั่งเป็นต้นเหล่าเนี้ยภิกษุใหม่ทั้งหลายเชื่อว่ากายกรรมต่อหน้าส่วนกระหัตกายกรรมทุกอย่างแม้ต่างด้วยการถวายน้ําล้างเท้าแก่บปฏิเอละอันนั้นเป็นกรรมที่ทําต่อหน้าการช่วยเก็บงําสิ่งของทั้งหลายมีการเก็บฟืนเก็บสิ่งของที่ รกล้างในที่ภิกษุใหม่และพระเถระทั้งสองฝ่ายเก็บไว้ไม่เรียบร้อยก็ทําให้เสียในพันธะต่างๆดุดเก็บงาของที่เก็บไว้ไม่ดีให้เรียบร้อยอันนั้นเรียกว่าเมตตากายกรรมรับหลังถ้าการกล่าวยกย่องพระเถระต่อหน้าอันนั้นเป็นเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและเมื่อจะสอบถามถึงพระเถระผู้ไม่อยู่ในวิหาร าการกล่าวคําอันเป็นที่รักว่าพระคุณเจ้าที่เป็นที่เคารพศรัทธาของข้าพเจ้าไปอยู่ณนะที่ไหนเป็นต้นอันนี้เป็นเมตตาวจีรกรรมรับหลังถ้าการลืมตาอันสนิทสนมด้วยสีเนหามองดูใบหน้าอันแจ่มใสอันนั้นชื่อว่าเมตตามโนกรรมต่อหน้าคือการมุ่งดีเอาใจช่วยบอกว่าขอท่านพระเถระมีท่านพระติสตาตมเป็นต้นเหล่านี้ จงไม่มีโรคไม่มีอ า, าพาธอันนี้เป็นเมตตามโนกรรมรับหลังอันนี้ท่านสอนบอกว่าการเจริญเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยให้ทาเป็นปกติในชีวิตประจาวันแล้วจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความให้เข้าถึงความเจริญนี่นะส่วนลาพาเนี่ยก็แปลว่า ปัจจัยที่ได้มามีการได้จีวรได้อาหารบินดาบาดได้ยารักษาโรคได้ที่อยู่อาศัยทรมิการแด่ลาบที่เกิดขึ้นโดยพิษขาในจจรวตดโดยธรรมที่สมามเสมอคือว่าพระเนี่ยถ้าจะไปได้จีวรมาก็เรียกว่าได้โดยธรรมได้อาหารได้สิ่งของต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าได้มาโดยชอบธรรมถ้าได้มาโดยชอบธรรมเนี่ยก็หมายความบอกว่า เว้นมิจฉาอาชีวะคือเว้นจากการโกหกเขาเป็นต้นเว้นจากการหลอกลวงได้จากการทำนิมิตหมายลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าได้มาโดยชอบธรรมทีนี้พอได้อาหารมาถึงแม้จะได้หนึ่งทัพพีสองทัพพีอะไรก็แล้วแต่ก็แบ่งปันกัน น, นะนะการแบ่งปันอามิตรการแบ่งปันบุคคลในสองอย่างนี้การแบ่งปันโดยคิดอย่างนี้ว่า เราจะให้เท่านี้ไม่ให้เท่านี้ดังนี้ชื่อว่าการแบ่งปันโดยอามิตการแบ่งปันโดยคิดว่าอย่างนี้เราจะให้แก่ภิกษุรูปน้นไม่ให้รูปน้นดังนี้ชื่อว่าแบ่งปันบุคคลภิกษุผู้ไม่หวงลาบบริโภคโดยไม่กระทำทั้งสองอย่างนั้นชื่อว่าอัปปติวิพัตตะโภคีก็ไม่หวง พระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่าถ้าได้ลาบหรือลาบที่เกิดขึ้นมาแล้วก็แบ่งปันกันคนเราถ้าหากว่ามีสิ่งของที่เล็กน้อยหรือมากอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แบ่งปันกันเนี่ยมันทําให้เกิดความรักเนี่ยหลักสังฆาวัตถุนเนี่ยมีอยู่สี่ข้อทานคือการให้ปิยาวาจาคือการกล่าววาจานเป็นที่รัก อัตตาจริยาคือการประพฤติประโยชน์สมานตัตตาคือความเป็นผู้วางตนสม่ำเสมอตรงนี้สำคัญมากอย่างนี้เขาเรียกว่าลักษณะของผู้บริโภคร่วมกันสีลสันเตหิสัพรมจารหิทารณะโพคีภิกษุได้อาหารใดๆที่ปราณีไม่ยอมให้แก่ิครหัสทั้งหลายโดยมุ่งเอาลาบต่อลาบ ทั้งไม่บริโภคด้วยตนเองและเมื่อจะรับก็จะรับด้วยคิดว่าจงเป็นของสาธารณะแก่หมู่สิทธิอันนี้เป็นเหมือนของสงฆ์ที่จะต้องตีระคางให้มาบริโภคร่วมกันถามว่าก็ใครบําเพ็ญสารา น, นิยธรรมบวกการแบ่งปันลาบแก่เพื่อนพ่อมจารีผู้มีศีลให้บริบูรณ์ได้ใครไม่บําเพ็ญให้บริบูรณ์ก็คือผู้ทุศีย่อมบําเพ็ญให้บริบูรณ์ไม่ได้ อย่างครั้งที่แล้วที่พูดในเรื่องของสารานิยธรรมภิสูุที่จะประพฤติปฏิบัติสารานิยธรรมที่ทําไม่ได้ครบสิบสองปีคือได้มาแล้วก็แบ่งปันตามลําดับเริ่มตั้งแต่พระเถระเป็นต้นหรือถ้ามีพิสูจป่วยก็ให้ภิสูุที่เจ็บไข้ก่อนหรือภิสูุที่จะเดินทางเป็นต้นเหล่าเนี้ยการกระทําให้ต่อเนื่องจนครบสิบสองปีก็จะได้อา น, นิสงส์ดังที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วนะ่ ภิกษุที่มีศีลเท่านั้นถึงจะสามารถประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ทีนี้บอกว่าอีกประการต่อมาก็คือบอกว่าภิกษุเนี่ยเนี่ยเป็นผู้มีศีลเสมอกันอาบัติมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดกองนะ ผู้ใดมีสิกขาบทขาดในตอนปลายหรือตอนตอน้นศีลของผู้นั้นชื่อว่าขาดเหมือนผ้าดี่ขาอันนี้ก็เรียกว่าศีลขาดประการต่อมาก็คือว่าส่วนผู้ใดมีสิกขาบทขาดที่ท่ามกลางศีลของผู้นั้นชื่อว่าทะลุเหมือนผ้ า, าที่ทะลุถ้าผู้ใดสิกขาบทข้อที่2ข้อที่3าสิกขาบทขาดตามลําลดับอย่างนั้นชื่อว่าด่างเหมือนเมฆโคมีสีดําสีแ ด, ง, ดงเป็นต้น สีใดสีหนึ่งเนี่ยนะปรากฏที่หลังหรือที่ท้องผู้ใดมีสิกขาบทขาดในระหว่างศีลของผู้นั้นเชื่อว่าพร้อยเหมือนเมฆโคที่มีจุดแผลพราวสลับกันในระหว่างภิกษูผู้ใดมีศิกขาบททั้งหมดไม่ขาดผู้นั้นมีศีลไม่ขาดถ้าไม่ทะลุก็เรียกว่าไม่ด่างไม่พร้อยแต่ว่าสิกขาบทอนั้นท่านเรียกว่าชื่อพุทธิศัเป็นไทย เพราะทความเป็นไทยโดยพ้นจากความเป็นทาตของตัณหาวิญยูปรสัสสะอันวิญยูชนสารเสรินมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะนะสารเสรรินอัปปรามัฏฐะตัณหาและทิฏฐิไม่รูปคำไม่เกาะเกี่ยวคือรักษาศีลแล้วไม่เป็นปันใจจัยให้ตัณหาและทิฏฐิเข้ามาโรคคำใครๆไม่สามารถปราโาทได้ว่าท่านเคยต้องอบัตข้อนี้ นี่เรียกว่าสมาธิสังวัตติกาเพราะยังอุปจารสมาธิและอปนาสมาธิให้เกิดขึ้นศีลที่รักษาดีแล้วเนี่ยนะจะเป็นปัจจัยให้ได้สมาธิในชั้นของอุปจาระและก็อัปนาสีลสามัญยัคโตวิหารติเป็นผู้มีปกติเข้าถึงความเป็นผู้เสมอกันด้วยภิกษุทั้งหลาย เสมอในที่นี้บอกว่าศีลของพระโสดาบันศีลของพระสะกท า, าคาศีลของพระนาคาศีลของพระอรหันต์เป็นศีลที่เ ส, สมอกันของพระอริยะเหล่านั้นนั้นพวกพระพอริยะทั้งหลายเนี่ยเขามีศีลที่เสมอกันผู้อยู่ในระหว่างมหาสมุทรบ้างในเทวโลกนั้นแหละบ้างเพราะฉะนั้นในมรรคศีลศีลในองค์มรรคเนี่ย จึงไม่มีความแตกต่างกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าศีละสามัญญาคโตวิหรติศีลของพระโสดาบันสีลของพระอริยะส่วนคําว่าทิฏฐิสามัญญาตาเนี่ยได้แก่สัมมาทิฏฐิที่สัมบุญกมาร์กนี่ยเขาเรียกว่ามัคคสัมมาทิฏฐิคนที่มีทิฏฐิที่สัมยุญกมาร์กที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาเรียกว่าแทงตลอดอริยสัจ ได้บรรลุเป็นพระ อ, อริยะแล้วเป็นนิญญานิกธรรมเป็นเหตุนำออกจากพบออกจากกามาพบรูปภพบและอารมภพบตักกรัะได้แก่ผู้ที่ทำอย่างนั้นว่าทุกขคัคขยะความว่าเพื่อสิ้นแห่งสัพพทุกข์ทิฏฐิสามัญยคโตเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเสมอกันอยู่นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ ภคปการเนีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็สาธารณโพคีได้สิ่งของมาก็แบ่งปันกันศีลสามัญญาตาก็มีศีลเสมอกันทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความประพฤติสุจริต ด, ดีงามถูกต้องตามระเบียบไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ ทิฏสามั ญ, ญาตาก็มีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพื่อนพรมจําทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อนี้เป็นหลักการสําคัญที่จะนําไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นจากทุกข จ, จัดปัญหาได้นี่เป็นอย่างงี้นะอันนี้เขาเรียกหลักสารานิยธรรมที่พระผู้มีภาคเจ้าตรัสกันไว้ทีนี้ประการต่อมาหลังจากแสดงอปริหานิยธรรมหกประการเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะ เมื่อพระผู้มีพภาคเจ้าประทับอยู่ที่บนภูเขาคิตชกูดที่กรุงราชคลึกก็ทำทำมีคาถาเป็นนันมากแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยพระดํารัสว่าศีล ส, สมาธิปัญญามีอยู่ด้วยประการอย่างนี้สมาธิอันศีลอบรมแล้วมีผลมากมีอนิสง์มากปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วมีผลมากมีอนิสง์มาก จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นด้วยดีจากกรรมมาสะวะภวาสะวะทิฏฐสะวะและอวิชชาสะวะกก่าวคืออาสะวะเหล่านี้เมื่อพระผู้มีพระเจ้าเสด็จอยู่กรุงราชคลีตามพระราชอัธยาศัยแล้วเนี่ยจึงตรัสกับพระอนุนว่ามาเถิดอ น, นุนเราจักไปพระราชอุทยานอัมพารัติกาครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่ เสด็จถึงพระราชอุทยานแล้วก็ประทับที่พระตำหนักในพระราชอุทยานนั้นทรงธรทมานมีคถาแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นอันมากเช่นเดียวกับสมัยที่ประทับบนภูเขาคิดชกูดทีนี้ในสุมังคลาวิลาสีอัตรกรถาอัตรกรถาของทีขณิกายมหาวัชพระผู้วิภาคเจ้าแสดงโอวาแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยธรมมีคถาอันมาก ตอนที่ใกล้จะเสด็จดับขันทัปรินิพานเนี่ยท่านแสดงอะไรท่านแสดงจตุปริสุทธิ์ที่ศีลศีคือปาติโมกสังวรศีลอินทรีสังวรศีลอาชีวะปริสุทธิ์ีศีลปัจจยาสันนิสิตาศีลท่านแสดงอย่างนี้ ปฏิโมกสังวงศรศีลก็คือการสำรวมกายวาจาแม่และเมื่อศีขาบทที่พระผู้มีภาคจ้าทรงบัญญัติไว้และก็คุ้มครองผู้รักษาศีลให้พ้นจากทุกภัยต่างๆในปัจจุบันภพแล้วก็ในภพต่อๆไปด้วยการชำระศีลให้หมดจดพึงทราบตามคำสอนที่บอกว่าภิกษุมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อย ย่อมสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุสำรวมตนไม่ให้ต้องอาบัตโดยดำริว่าแม้อาบัตเล็กๆ น, น้อยๆคือทุกกฎหรือทุกภาสิตก็ขัดขวางแห่งการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานทั้งส่งผลให้ไปเกิดในอบายภูมิคือการไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสาัตว์ดิราฉานสัตว์นรกอาบัตเหล่านี้จึงเป็นโทษภัยที่น่ากลัว เมื่อต้องอบัติแล้วก็ควรปรงอบัติโดยเร็วเหมือนเด็กที่จับฐานติดไฟแล้วก็รีบปล่อยโดยการเข้าอยู่ปริวาสอยู่มานสล่าสิ่งของที่เป็นนิสกีและได้รับโดยไม่ชอบทำแล้วก็ปรงอบัตเสียศีลของภิกษุผู้ต้องอบัตและปรงเสียตามวิธีการในพระวินยัยและสํารวมมิให้ต้องอบัติอีกหลังจากนั้นจัดว่าเป็นศีลสังวรคือปาติโมกทําการสํารวมปฏิโมกให้หมดจด นี่เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ส่วนอินเดียสังวรเนี่ยคือการสํารวมอินทรีย์ไม่ให้กิเลสรั่วลดทางทวารทั้ง6ก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอาชีวะบริสุทธิธ์ที่ศีลก็คือว่าการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์พระเนี่ยเวลาการแสวงหาปัจจัยทั้ง4อันได้แก่การแสวงหาจีวรบินฑบาทที่อยู่ยาโดยชอบธรรม ลีกเลี่ยงการแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมเช่นขอจากครือข่าที่ไม่ใช่ญาติและที่เขาไม่ได้ปรนนาไว้เป็นต้นอันนีก้ก็ผิดโดยองคธรรมก็ได้แก่วิริยะคือความเพียรที่แสวงหาปัจจัยโดยชอบธรรมที่ปรากฏแลข้อความในวิสุทธิมรรคที่กล่าวบอกว่าปัจจยะปริเยสนะวายามความเพียรในการแสวงหาปัจจัย แต่ความเพียรในการแสวงหาปัจจัยโดยไม่ชอบธรรมย่อมจะต้องอาบัตหลายอย่างตั้งแต่ปราชิกสังคาดิเศษทุนลจัยทุกกฎอาบัตส่วนใหญ่มกักเป็นอาบัตทุกกะในขณะที่บริโภคปัจจัยที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมก็จะต้องอาบัติทุกกฎเช่นกันทีนี้เมื่อต้องอาบัติแล้วสีลที่สำรวมในปฏิโมกของภิกษุก็ไม่หมดจดจัดเป็นอันตรายต่อการไปสู่สวรรค์และการบรรลุมรรคผล แค่นั้นภิกษุผู้ต้องอภิษฐ์เนี่ยต้องปองอภิษฐ์ตามวิธีดังที่ได้กล่าวศีลจึงจะบริสุทธิ์ได้และก็จะพ้นจากอันตรายนั้นภิกษุก็ควรรักษาศีลเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพคารวะก็ในญ่าเดียวกันสว่วนปัจญาสนิสตาศีลเนี่ยก็เรียกศีลที่อาศัยปัจจัยหมายถึงการพิจารณาประโยชน์ของการใช้สอยปัจจัยสีเช่นว่าโน้มห่มเนี่ยอันนี้คารวะก็ใช้ได้นะ นุ่งห่อบิวหรือเสื้อผ้าเพื่อกระจัดความหนาความร้อนเป็นต้นทีนี้พิภิจษ์ควรพิจารณาประโยชน์ของปัจจัยสี่เพื่อให้สีนั้นหมดจดในการบริโภคอาหารหรือคารวาสก็เหมือนกันเนี่พวกเราทำไห้เวลารับประทานอาหารก็พิจารณาทุกคำข้าวแล้วก็พิจารณาหลังบริโภคก่อนถึงอารงณ์รุนวันใหม่ ถ้าลืมพิจารณาจนกระทั่งอารมณ์ขึ้นจัดว่าเป็นผู้บริโภคแบบติดหนี้นะเาบอกว่าอินนบริโภคเนะี่ยบริโภคแบบเป็นหนี้เนะี่ยเออเป็นหนี้ในที่นี้หมายถึงการบริโภคที่ติดหนี้กล่าวคือทานที่ถวายแกภิกษุผู้ทรงศีลจัดว่ามีความหมดจดแห่งทักษิณนา ส่งผลให้ผ ล, ลทานนั้นมีอนิสงส์มากแต่ภิกษุผู้บริโภคปัจจัยสี่โดยไม่ได้พิจารณาย่อมจะมีศีไม่หมดจดทายกที่เขาถวายทานจึงไม่มีอนิสงส์มากฉะนั้นเหมือนติดหนี้ผลทานแกทายกเป็นผู้บริโภคติดหนี้การบริโภคเป็นหนี้ชื่อว่าการบริโภคที่ติดหนี้นะเพราะไม่มีความหมดจดแห่งทักษิณน เขาบอกว่าคนที่เป็นนี่เนี่ยจะเดินไปทางไหนก็ย่อมแต่เขาบอกเดินไปทางไหนมาไหนตามความต้องการของตนเองไม่ได้ภิกษุที่ติดนี่จะพ้นไปจากโลกนี้ไม่ได้เช่นนั้นบอกคนเป็นนี่เนี่ยเวลาไปที่ไหนเคยเป็นนี่ไหมย่อมเพี้เคยเป็นนี่ <c oughs> ถ้าเป็นนี่เลีวก็ ก็จิตใจมันก็ไม่สบายใจเลยถ้าพิกสุหรือใครถ้าติดนี่เนี่ยพ้นทุกข์ไม่ได้เด้วก็ติดอยู่ในโลกไปทีนี้ผู้ละเลยการพิจารณาปัจจัยสี่ก็จะมีความผูกพันในปัจจัยในส่วนยิงไปเกิดในทุกขติภูมิก็ได้เขาต้งบอกว่าว่าบริโภคนี้จะพ้นไปจากโลกไม่ได้ถ้าติดนี่เนี่ย ท่านก็เล่าบอกว่ามีภิกษุอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าติดสังมีความผูกพันในจีวรมรณภาพไปแล้วไปเกิดเป็นเลนในจีวรทีนี้ต่อมาภิกษุก็จะแบ่งจีวรกันอยู่ไหมพระพุทธเจ้าก็ร้องห้ามว่าอย่าเพิ่งแบ่งจีวรไ อ, เอเ้เลนเลนนี่เหมือนกันเลนเออไม่ใช่พระก็พอเห็นพระตายแล้วท่านก็จะจีวรมาแบ่งกันใช้เลนก็วิ่ง วิ่งในใจเลนก็คิดบอกว่าจีวรของกูเนี่ยนะพาของกูแล้วคนเป็นห่วงอะไรตายไปแล้วก็ไปเกาะ อ, อยู่ตรงนี้นเนี่ยนี่ก็เลนตัวนี้ก็เหมือนกันก็วิ่งพลาดอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ได้ยินเสียงได้ทิพโสตก็ดำหลีว่าเออถ้าภิกษุแบ่งจีวรนเนี่ยจะทำให้เลนกโกรธแลวตายก็จะไปเกิดในใบยภูม พระ อ, องค์ยังโปรดให้เลื่อนการแบ่งจีวรไปอีกเจ็ดวันพอถึงวันที่เจดเลนก็ตายไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าแบ่งจีวรได้แล้วนี่ถ้ า, าไม่มีพระพุทธองค์อยู่เนี่ยตกนรกไหมเนี่ยใช่ไหมเมื่อเช้านี่ก็เอาบอกให้เล น, นเอาปลาท้องโขให้ให้ให้ให้สุนักมันชอบไปพัวกันพอให้ปุ๊บเนี่ยเขาฆ่าปุ๊บเขาก็รีบวิ่งเอาไปซ่อนก แล้วเขาวิ่งมาขอใหม่อย่างเงี้ยเขาโอกาสเขากลายเป็นเลนเป็นนอนเป็นอะไรในสูงมากฉะนั้นถ้าหากไม่มีความผูกพันในบริขารก็อาจไปเกิดในสวรรค์ได้ใช่ไหพิกูุรูปเนี้ยดีที่พูทุทธเจ้าทรงปโปรดก็ก็ก็ไปเกิดเป็นเทวดาคำสอนที่บอกว่าเอวังอติโท ทันยาลินางสานิกรรมมานิในยานติทุกขดิงสนิมเกิดแต่เหล็กกัดกินเหล็กชั้นใดกรรมที่ตนทําไว้ก่อนก็นําคนเขาไปทุกขติเช่นนั้นไอสนิมเนี่ยมันเกิดจากเหล็กแล้วมันกัดเหล็กกร่อนหมดเลยกรรมที่ไม่ดีกรรมชั่วทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ไปส่งผลให้คนอื่นนะถ้าเราทํานั่นก็ส่งผลให้เราเนั่นแหละไปทุกขติภูมินี่เป็นอย่างงี้ ฉะนั้นในเรื่องของเออถ้าพูดถึงในเรื่องของศิกขาบทเนี่ยเนะี่ยสิ่งที่พระผู้มีพระภาเจ้าทรงอนุญาตไว้เนะี่ยภิกษุเนี่ยให้ภิกษุรับประเคนมีอยู่สี่อย่างเขาเรียกยาวการิกยามะกาลิกและสัตาหากาลิกก็ยาวชีวิตของสี่อย่างนี้ต้องรับประเคนนะยาวกาลิกอาหารของขบเคี้ยว่ะ ฉันได้ตั้งแต่อารุณขึ้นจนถึงเวลาเที่ยงถ้าไม่ประเค้นเนี่ยฉันแล้วเป็นอัตรส่วนยามะกาลิกคือน้ําปานะฉันได้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปจนถึงอารุณขึ้นวันใหม่น้ําปานะให้ได้ยืดยาวหนอนส่วนสัตตาหกาลิกมีพวกเทสัตห้าชนิดพวกเนยใสเนยข้นน้ํามันน้ําพึ่งน้ําอ้อยอันนี้ฉันได้ภายในเจ็ดวันหลังรับประเค้นแล้วคือรับประเค้นแล้วอยู่ได้เจ็ดวัน ส่วนยาวาชีวิตพวกยาทั้งหลายเนี่ยไม่มีกำหนดรับประเคนครั้งเดียวแล้วเป็นอันว่าฉันได้ตลอดไปโอ้โหถ้ต้องประเคนทุกวันนียุ่งเลยยานี้ไม่ต้องประเคนครั้งเดียวนี่คือการพิจารณาปัจจัย ประการครับพูดถึงเรื่องอินทรียสังวรการใช้สติสำมรวมเพื่อให้เกิดเพื่อไม่ให้กิเลสเกิดในขณะที่ได้เห็นได้ยินรู้กลิก่นลิ้มรสสัมผัสแล้วคิดนึกเครื่องราวต่างๆทางตาหูาจมูกลิ้นกายใจนเนี่ยเขาเรียกอินทรียสังวรหรืออินทรียสังวร บอกว่าย่อมดำรงจิตไว้ในสภาวะเห็นเท่านั้นทิเถะ ท, ทิธรรมตังปวิสติเมื่อเห็นจักเป็นจักประมาณว่าเห็นเนี่ยนะตรงนี้บอกว่าวิธีคิดเนี่ยถ้าบุคคลขณะพบเห็นอารมณ์ที่เป็นสภาคารมณ์ คือรับรู้รูปสันธานหรือวัยวะน้อยใหญ่ของบุรุษหรือสตรีต่างเพศกิเลสราคะย่อมเกิดขึ้นท่านไม่ให้ใส่ใจแต่ถ้าหากว่าไปใส่ใจว่าหน้าดวงตาจมูกอากัดกริยาการหัวลอกการพูดการชำระเงินตาเป็นต้นเนี่ยอย่างนี้กิเลสจะเกิดแต่ถ้าไปใส่ใจบอกว่าผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้กิเลสไม่เกิด ท่านจึงสอนบอกว่าวิธีการป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดก็คือว่าละมัดระวังไม่ให้ไม่ให้กิเลสเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ในการพิจารณามันอยู่ตรงที่การพิจารณาจริงๆนะถ้าปล่อยใจไปตามกับกิเลสกิเลสมันก็คือนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นตรงนี้ท่านจึงสอนบอกว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยธรรมีคาถาเป็นนันมากตอนใกล้จะปรินิพพานเนี่ยและพระองค์แสดงจะตุกปริสุทธที่ศีลก็มีปาติโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวะปริสุทธที่ศีลแล้วก็ปัจจะยสันนิสิตศีลเหตุที่สอนศีลตรงนี้ก็เพราะว่าภิกษุทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลนันใดย่อมบังเกิดสมาธิที่สัมปยุติมัง ก็แปลว่าเมื่ออบรมศีลให้บริบูรณ์แล้วเนี่ยในสุดจริงจรงจะเป็นปัจจัยให้ได้สมาธิคือได้จิตที่เป็นเอกขตาคือตัวสมาธิแล้วก็จะเป็นปัจจัยเกิดวิปัสนาก็อย่างที่ได้กล่าวบอกว่าศีลเป็นปัจจัยเกิดปราโมดให้เกิดปราโมดปราโมดก็เป็นปัจจัยเกิดปีติปีติเป็นปัจจัยเกิดปัสสัตทีปัตสัตทีเป็นปัจจัยเกิดสุขสุขเป็นปัจจัยเกิดสมาธิ สมาธิก็เป็นปัจจัยเกิดยถาภูตยนนานัทสนะคือปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงยถาภูตยานัทสนะก็เป็นปัจจัยเกิดนิพพิทาคือปัญญาที่เข้าไปเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารที่เป็นไปในภูมิสามคือกามภูมิรูปภูมิวรูปภูมิอันนีพิทาก็เป็นปัจจัยเกิดวิราฆะคืออริยมรรคอริยมรรคก็เป็นปัจจัยเกิดอริยผลเขาเรียกว่าวิมุตติ วิมุตติก็เป็นปัจจัยเกิดวิมุตติญาณทัศนะคือปัจเจกนาญาณที่เข้าไปพิจารณาดูมรรคผลกิเลสที่ละกิเลสที่เหลือและพิจารณานิพพานวิมุตติญาณทัศนะก็เป็นปัจจัยให้ได้อนุภาธาปริญนิพพานคือการดับกิเลสและขันห้าโดยไม่มีส่วนเหลือฉะนั้นการอบรมปาฏิโมกสังวรศีลเป็นต้นเหล่านี้ ก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลชั้นสูงสุดและในที่สุดจริงๆก็เป็นปัจจัยใงการบรรลุนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยเขาถึงบอกบอกว่าสมาธิวิปัสสนาเชื่อปัญญา ภ, า ภ, าภาิกษุทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลย่อมบังเกิดสมาธิที่สัมปยุตเดมัก สมาธิที่สัมยุญด้วยผลสมาธิ น, นั้นอาศินอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากภิกษุทั้งหลายตั้งอยู่ในสมาธิใดาย่อมบังเกิดปัญญาที่สัมยุญด้วยมากปัญญาที่สัมยุญด้วยผลปัญญานั้นอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากภิกษุทั้งหลายตั้งอยู่ในปัญญาอันใดย่อมบังเกิดมรรคจิตผลจิตจิตอันจิตนั้นอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะทิฐาสวะ และอวิชชาสวะองค์ที่พระเจ้าก็แสดงธรรมยิกถาดังที่ได้กล่าวที่นี้ครั้งนั้นน่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ราชอุทยานอัมพราธิกาตามพระราชอัธยาศัยแล้วก็ตรัสกับพระอา น, นุ์ว่ามาเถิดอา น, นุ์เราจักไปเมืองนาลันธาท่านพระอนุนก็ทูลรับแล้ว เมื่อท่านพระนนทูนลรับแล้วเนี่ยนพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จถึงเมืองนาลันทาประทับอยู่ที่ปาวาทิกะอัมพวันคำว่าปาวาทิกะทิกรรมพวันเนี่ยก็แปลว่าสวนมะม่วงของทุศปาวาลิกะเศรษฐีครั้งนั้นภาษาริบุตรเข้าไปเฝ้าถวายบังคม แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เรื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าพระสมณะหรือพรามณ์เราอื่นผู้มีปัญญายิ่งยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าในสัมมาสัมพุทธญาณไม่เคยมีมาเลยและจักไม่มีอีกทั้งไม่มีอยู่ในปัจจุบันนวลนั้นตอนนี้ท่านพระสารีบุตรเนี่ย เข้าไปชื่นชมพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปชื่นชมเขาเรียกว่าอะไรเนียเาเรียกว่าบอกว่าข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าไม่เคยมีจกไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพรามผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางสมาัสมมาสัมโพธิญาณยิ่งกว่ า, รราพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าสารีบุตร เธอกล่าวอาสพิวาจาวาจาอย่างอาจองค์อาจเนี่ยอย่างสูงเนี่ยเธอถือเอาด้านเดียวบรรลือศีีอานาจว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เริ่มใสในพระผู้มีภาคเจ้าอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจักไม่มีคําว่าไม่เคยมีนี่หมายถึงอดีตนีจักไม่มีหมายถึงอนาคตและย่อมไม่มีสมณะหรือพรามผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญา ในทางสัมมาสัมพุทธิยานยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามาดูก่อนสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในวดิตการด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เหตุนี้พระผู้มีพระเจ้าทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระเจ้านั้นทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระเจ้าเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้คือว่าพระพุทธเจ้าก็ถามภาษารีบุตรบอกว่าในอดีตเนี่ยเธอกําหนดรู้ใจของพระผู้มีพระเจ้าไหมว่าพระผู้มีพระเจ้ามีศีลอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าหาม่ได้พระพุทธเจ้าคะ่ะองค์ไม่ได้รู้อย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าก็ถามอีกต่อไปบอกว่าสารีบุตรเธอกําหนดรู้ว่าไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุตพระองค์ในานาคตการด้วยใจของตนหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจักทรงมีศีลอย่างนี้ แ ม, แม like ้เพราะเหตุนี้พระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นจักทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีภาคเจ้าเหล่านั้นจักทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีภาคเจ้านั้นจักทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีภาคเจ้าจักทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ถามบอกในอนาคตเนี่ยเธอรู้จักพระพุทธเจ้าดีไหมว่ามีศีลอย่างนี้ แม้ใครไม่สามารถจะกําหนดศีลของพรุทธเจ้าได้ใช่ไหมเพราะศีลเนี่ยจะมากหรือน้อยอยู่ที่สภาพของปัญญาเนี่ยคนมีปัญญามากศีลเขาก็มากคนมีปัญญาน้อยศีลก็น้อยถ้าคนไม่มีปัญญาเลยศีลมีไหมศีลไม่มีกับคนไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาก็เอาศีลไว้ไม่ได้พระสารีบุตรก็บอกว่าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าข้า พระเจ้าก็ถามต่อไปบอกว่าสารีบุตรเธอกําหนดรู้ใจเราผู้เป็นอรหันต์ตถาสมมาสมพุทธเจ้าในบัดนี้ด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุ น, นี้พระผู้มีภาคเจ้าทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุ น, นี้พระผู้มีพระทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุ น, นี้พระผู้มีพรคทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุเ น, นี้ย พระผู้มีประภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องห ล, หลุดพ้นอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าก็ถามบอกว่าเออเธอรู้จักพระพุทธเจ้าในปัจจุบันรู้จักเราดีไหมเนี่ยว่าศีลสีของเราเนี่เป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างไรหลุดพ้นอย่างไรเป็นต้นภาษารีบุตรก็บอกว่าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าสาีบบทก็ในเรื่องนี้เธอไม่มีเจโตปริย า, ยาน ในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตทั้งในอนาคตและในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้แบบนี้ชันไหนเธอจึงกล่าวอาภิสวาจาเธอถือเอาด้านเดียวบัลลือศีาณาดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสพระผู้เมียภาคเจ้าอย่างนี้ไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณบหรือพรามผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางสัมมาสัมปทิยานยิ่งกว่าพระผู้เมียระาค พระาก็ส่งติงอย่างงี้นะแล้วคําว่าเจโตปริยญาณเนี่ยก็หมายถึงว่าปีชาในการกําหนดรู้ใจผู้อื่นรู้ใจผู้อื่นก็หมายความว่าอ่านความคิดคนอื่นได้เช่นเรารู้ว่าคนนี้เขากาลังคิดอะไรเนะี่ยถ้ามีปัญญาแบบนี้ก็ดีนะใครกําลังคิดอะไรเนะี่ยรู้หมดหนึ่งแต่ว่า ถ้าปุตุชนเนี่ยไม่ดีถ้าปุตุชนไปมีมีปัญญาลักษณะอย่างเนี้ย mm hmm. เพราะว่าจะเป็นเหตุถ้าไปรู้ว่าคนนี้ด่าเราในใจก็จะพอยโกรธกัโอ้โหถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นหาเพื่อนยากยังไง mm hmm. ใช่ไหมมีบ้างไ้มที่ไม่เคยตำหนีเพื่อนในใจเลยแอบตำหนีบ้างไหมเนี่ย จนนึกแล้วเราก็ไปรู้เขาอีกยุ่งเลยสรุปแล้วเนี่ยถ้ายังเป็นผุดชนนี่ก็อย่าเพิ่งไปรู้ฉะนั้นคนบางคนยังไม่ค่อยกล้าสมัยครั้พุทธกาลไม่ค่อยกล้าไปเฝ้าพทธเจ้า <laughs> เพราะว่าพราะองค์รู้หมดเนี่ยมองทะลุหมดจะไปถ้าไม่มีศรัทธาก็จะไปแก้งนั่งนิ่งๆก็ไม่ได้ <laughs> อิดอดัดนะอิดอัดเลยนั่น คนเลวลาบางคนเขาจะไปเฝ้าพระเจ้าเขาเตรียมตัวกันอย่างดีบงคนเตรียมตัวทั้งหลายแสนชาติเตรียมตัวกันอย่างพวกเราเนี่ก็เตรียมตัวนี่นี่เลือกเตรียมตั ว, วเฝ้าแต่ในขนาดนี้ไปเฝ้ายัางไม่ได้ศีลยังไม่ดีต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วก็ไปต่อหน้าผู้มิพากเจ้าพระพุทธองค์เล่าประวัติเราบางทีถ้า แต่เราเกิดกระทําอะไรไม่ค่อยดีเข้าไว้นี่นะพุทธเจ้าก็ยกเป็นหัวาจหอนในที่ประชุมสงฆ์ได้นะี่เพราะท่านบนนี้เคยตา่าเคยทําเรื่องไม่ดีเข้าไว้นะพูดก็เหมือนอย่างพระภิกษุ ร, รูปหนึ่งเนะี่ยท่านหิวหิวข้าวตอนเย็นแต่หรอกต่อมาพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าห้ามเวลาตั้งแต่เที่ยงไปแล้วก็ห้ามห้ามของเคี้ยวท่านรูปนี้ก็โกรธ กอดพระพุทธเจ้าอผมทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าเราเนี่ยอดอาหารตอนเย็นไว้ได้ก็ยังง้งงบเงินเลยน้อยยาพระเจ้ญญาไม่ไปเ้าทั้งพรรษาพระเจ้ญญาอะไรยกประวัติเลยว่าเนี่ยเกิดเป็นอีกามาหลายร้อยชาติอีกาเนี่ยมันจะหิวบ่อยนิดเดียวก็หิวนิดเดียวก็หิวคนบางคนเนี่ยเวลาไปที่ไหนเนี่ยยังไงก็จะขอให้ได้กินไปเรื่อยๆเนี่ยต้องกินจุกกินจิกอยู่เนี้ย ม่เคยเป็นบ้างก็บอกเยพระสารีบุตรก็บอกว่ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่มีเจตโตปริญานในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันพระสารีบุตรเนี่ยมีเจตปริยานในบุคคลอื่นนะแต่ว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าครบถ้วน แต่ข้าพระ อ, องค์ก็รู้วิธีการอนุมาลเปรียบเสมือนเมืองชายแดนของพระเจ้าแผ่นดินที่มีรากฐานมั่นคงมีกำแพงที่แข็งแรงเนี่ยแล้วก็มีป้อมปาการที่แข็งแรงมีประตูเดียวนายประตูของเมืองนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดหลักแหลมห้ามคนที่ไม่รู้จักอนุญาตคนที่รู้จักให้เข้าไปได้ต่อมาเขาก็เดินสำรวจดูถขนทางตามลำดับรอบเมืองนั้น ไม่เห็นรอยต่อหรือช่องกำแพงใดที่สุดแม้เพียงที่แมวจะลอดออกไปได้เขาก็ย่อมรู้ว่าสัตว์ใหญ่ทุกชนิดเมื่อจะเข้าหรือออกเมืองนี้ก็จะต้องเข้าทางประตูนี้เท่านั้นแม้ฉันใดวิธีอนุมานก็ฉันนั้นเหมือนกนขคาบองทราบว่าพระผู้มีประภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการละนิวรห้า อกราณีวอนหคือการมาฉันทาพยาบาทถีนมิท้าอุทะจกักุกุจาวิจิกิฉาที่เป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองใจเนะีที่เป็นเครื่องทอนกาลังปัญญามีพระไทยมั่นคงในสติปัฏฐานสีเจริญโพชงเจ็ดตามความเป็นจริงตัทโรนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแม้พระผู้มีภระเจ้าอรหันตสัมมาสมุทพระทุกทุกพระองค์ในอนาคตก็จักราณีวอนห้าที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำ ทอกำลังปัญญามีพระไทยมั่นคงเจริญสติปัฏฐานสมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทร์ศีรพระโอชงอริยมรรตตามความเป็นจริงจากตัตรูอนุตระสัมมาสัมโพธิยานแม้พระผู้มียภาคเจ้าอาหารตสัมมาในปัจจุบันนี้ก็ละนิวรณ์หเจริญสติปัฏฐานสมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทร์ศีพระโอชงอริยมรรตตามความเป็นจริงตัตตุรุสัมมาสัมพุทธียานุทธเจ้าขา ภาษาิบุตรบอกว่าไม่รู้แต่อนุมาณได้ที่อนุมาณได้เพราะภาษาริบุตรเป็นคนมีปัญญาได้ยินว่าพระผู้มีภาคประทับอยู่ปาวาลิกะกัปภวันเขตเมืองนาลันธาแล้วก็แสดงท ร, ร ม, มีกะถาเป็นนันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้ศีลเป็นฐาน ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาเมื่ออบรมปัญญาอันบุคคลอบรมโดยสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันบุคคลอบรมด้วยปัญญามีฐานย่อมมีผลมากย่อมมีอานิสงส์มากนี่เป็นอย่างนี้ศีลเนี่ยนะคาว่าศีลเป็นฐานเนี่ย ในคำพิเศสุธิมาร์คท่านกล่วว่าสมาทานะกับอุปธานะลักษณะของศีลเนี่ยนะความหมายของศีลมีอยู่สองอย่างคือสมาทานะกับอุปธานะสมาทานะก็แปลว่าตั้งไว้ด้วยดีหมายถึงตั้งกายกรรมวจีกรรมเป็นต้นไว้ด้วยดีไม่บกพร่องส่วนอุปธานะเข้าไปทรงไว้หมายถึงเป็นที่อาศัยของคุณธรรมชั้นสูง เป็นบาตรให้เกิดสมาธิเป็นบาตให้เกิดปัญญาเป็นต้นถามว่าศีลมีสภาพอะไรศีลเพราะมีสภาพตั้งไว้ด้วยดีและเข้าไปทรงไว้ถามว่าสภาพตั้งไว้ดีและเข้าไปทรงไว้เนี่ยคืออะไรสภาพตั้งไว้ดีและเข้าไปทรงไว้คือการตั้งกายกรรมตั้งวจีกรรมตั้งมนโนกรรมเป็นต้นไว้ด้วยดีความเป็นผู้มีศีลหมายถึงการ ไม่ให้ ก, กายกรรมเป็นต้นกระจัดกระจายหรือการเข้าไปทรงไว้หมายความว่าเป็นที่ตั้งแห่งกุศ ธ, ธรรมโดยความเป็นที่รองรับโดยแท้จริงเออศีลบางแห่งท่านในคัมภีร์เนติบุตรก็บอกว่าปกติศีลศีลโดยปกติศีลที่ประพฤติเป็นประจำโดยไม่ให้โดยโดยมิได้สมาทานกระทาจนเป็นประการต่อมาคือสมาทานศีล ศีลโดยสมาธานคือศีลที่รับเอาจากพระภิกษุหรือสมาทานต่อหน้าพระพุทธรูปศีลที่เกิดจากความเลื่อมยสศีลที่เกิดจากสมถะศีลที่เกิดจากวิปัสสนาได้ทั้งนั้นการสารวมเนี่ยการไม่ร่วงละเมิดเป็นต้นอันนั้นเป็นลักษณะของของศีลเนย เจตนาก็ชื่อว่าศีลเจตสิกก็ชื่อว่าศีลเป็นต้นเหล่านี้ท่านแสดงศีลก็ไว้ทีนี้ท่านก็มาแสดงอีกว่าครั้งนั้นนะ่ะนะพระผู้มียภาคประทับอยู่ตามความพอพระไทยในเมืองนาลันทา กราบสั่งท่านพระนรินตรัสว่ามาเถิดอาโน์เราจะไปยังปาตาลิกาล์มท่านพระนรินทูลรับสนองพระจารัดแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปถึงปาตาลิคามพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิคามได้กราบทูลว่าได้ทราบบอกว่าพระผู้มีภาคเจ้าเสด็จถึงปาตาลิกามก็พากันไปเฝ้าพระผู้มีภาคเจ้าถึงที่ประทับ เมื่อถึงที่ประทับแล้วนั่งนั่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็กราบทูลบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีภาคเจ้าโปรดรับเรือนพักแลมของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าก็รับนิมนต์ด้วยอาการดุษฎีนะพวกอุบาสกอุบาสิกาชาปาตาริกามนะทราบอาการที่พุทธเจ้าทรงรับนิมนต์นะ ก็ถวายอภิวาสพระพุทธเจ้าทำประทักษิณแล้วก็ไปยังเรือนพักแรมปูเครื่องลาดทั่วเรือนพักแรมแล้วก็ปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ําตามประทีปน้ํามันเข้าไปเฝ้าพระพูทธในพรเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เนี่ยได้ปูเครื่องลาดขึ้น ครวเรือนพักแรมปูอาสนะตั้งหม้อน้ำตามปฏีบน้ำมันไว้แล้วขอพระ อ, องค์ทรงกาหนดเวลาที่สมควรนะบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าวขั้นในเวลาเช้าพระพุทธเจ้าก็คองพ้าอันตราสกถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปยังเรือนพักแรมทรงล้างพระบาทและเสด็จเข้าสู่เรือนพักแรมประทับนั่งพิงเสากลาง พินพระพักไปทางทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกภิกษุนสงฆ์ก็ล้างเท้าแล้วเข้าไปสู่เรือนพักแรมนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันตกพินหน้าหรือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่เนอยู่เบื้องพระเปิดแสดงของพระพุทธเจ้าส่ว น, วนุบาศกอุบาสิ ก, กาชาวปาทะเคามก็ล้างเท้าแล้วเข้าไปสู่เรือนพักเหมือนกันนั่งพิงฝา ด้านทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกอยู่เบื้องหน้าพระภาคของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาก็หันหน้าไปทิศตะวันตกลําดับนั้นพระผู้มีภาคเจ้าก็ตทัดเรียกภิกษุเอออุบาสกอุบาสิกาชาวปาติเลคามตัดว่าเริหาบดีทั้งหลาย ศีลแลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษห้าประการเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะถ้าสิ่งที่ดีและไม่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าจะแสดงสิ่งที่ไม่ดีก่อนเช่นการไม่ครบคนพานเนี่ยใช่ไหมก็ไม่ให้ครบคนพานแล้วก็จะบอกว่าครบบัณฑิตอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เหมือนกันถ้าพูดเรื่องศีลเนี่ยพระพุทธเจ้าจะพูดถึงโทษของ ความทุศีลก่อนแล้วก็จะมาพูดถึงอันนี้ไอ้โทษแล้วก็อั น, นิี้สงของการมีศีลการแสดงธรรมก็จะแสดงสิ่งที่ไม่ดีก่อนแล้วก็ไปเชื่อมโยงในสิ่งที่ดีนี่เขาเรียกว่าอาวตตะเนอาวตตะหาละคือการหมุนแสดงสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็หมุนไปหาสิ่งที่ดีบุคคลผู้ทุศีลมีศีลอริบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมาก ซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษประการที่หนึ่งแห่งสีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลประการที่สองกิติศัพท์อันชั่วของคนทุทุศีลมีศีนวิบัติย่อมกระชอนไปนี้ก็เป็นโทษประการที่สองของศีระวิบัติของบุคคลผู้ทุศีนประการที่สบุคคลผู้ทุศีลมีศีนวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นคนจะเป็นขัติยะบริษัทเป็นพระมณาบริษัทเป็นเขาเลยนหาบดีบริษัทเป็นสำนับริษัทก็ตาม ย่ำไม่แกวกล้าเก้ยเขินไปนี่เป็นโทษประการที่สามของศีลวิบัติของคนผู้ทุศีลประการที่สี่บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่าหลงลืมสติตายนี่เป็นโทษประการที่สี่ของศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลเอหลงตายเนี่ยประการที่ห้าบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติหลังจากตายไปแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบัตินรกนี่เป็นโทษประการที่ห้า ข า, หารหบดีทั้งหลายศีลนิบัติของบุคคลผู้ทุตศีลมีโทษห้าประการนี่แหละพุทธเจ้าก็แสดงโทษนะแสดงโทษของความเป็นผู้มีศีลลวิบัติทีนี้ประการต่อมาก็แสดงอานิสง์ของความมีศีลศีลสมบัติของบุคลบคลผู้มีศีลห้าประการบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมมีโพคาสมบัติเป็นแั่นมาก ซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอานิสงส์ประการที่หนึ่งของศีลวิบัติของบุคคลผู้มีศีลประการที่สองกิตติศัพท์อันงามของคนผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลยอยกระจรไปนี้เป็นอานิสงส์ประการที่สองแห่งศีลและสมบัติของบุคคลผู้มีศีลประการที่สบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะเข้าไปยังบริษัทใดจะเป็นขติยะบริษัทก็ตาม พรามณาบริษัทก็ตามข้าบบราชบริษัทก็ตามสถาบันบริษัทก็ตามเนี่ยย่ำแก้วกล้าไม่เก้อเขินนี้เป็นอดิศงประการที่สามแห่งศีลและสมบัติของบุคคลผู้มีศีลประการที่สี่บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไม่หลงลืมสติตายนี้เป็นอดิสง์ประการที่ 4, สีส่หสมมลลสสแห่งบุคคลผู้มีศีลและสมบัติประการที่ห้า บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลหลังจากตายแลย้วยำไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอนิสงฆ์ประการที่ห้าละแห่งศี ล, ส ม, ล, ม ส, รรล ส, สมบัติของบุคคลผู้มีศีลข้าราชทั้งหลายศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลห้าประการนี้เลยนี่เมื่อพระผมีพระภาคเจ้าชี้แจงอุบาสุบ า, ส, บาสิกาชาวปาเตลิคามเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแก้วกล้าปอบฉโลมใจให้สดชื่น ร่าเริงด้วยทรมีกระถาเกือบตลอดทั้งคืนก็แสดงทาเหล่านี้เนี่นจงส่งกลับด้วยพระดำรัสว่าข้าลวดีทั้งหลายเวลาตีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรนะแบบนี้เถิดอุบาสกอุบาสิกาชาวปาติคามรับทูลพระดำรัสของพุทธเจ้าแล้วจากที่นั่งถวายอภิวาสพุทธเจ้าแล้วก็ทําประทักศิณแล้วก็ไป เมื่อบาสกบาสิกาชารประฏิคมจากไปในนามพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปยังเรือนว่างคําว่าราตีผ่านไปมากแล้วหมายถึงเกือบสว่างในสมัยก่อนเนี่ยเวลาก็ฟังธรรมกันเนี่ยก็ฟังธรรมกันทั้งคืนเลยนีย่สงสัยสมัยนี้ถ้าเราฟังขนาดนี้สงสัยย่อ ก, กันแย่เลยเนี่ยฟังไม่ไหว ในปาตลิคามเนี่ยนปาตลิคามเนี่ยได้แก่เรือนพักสำหรับคนจอนมาเขาว่าในปาตลิคามเนี่ยสหายของพระราชาสองพระองค์มากันเป็นนิดก็พาครอบครัวจากบ้านพักกันเดือนหนึ่งบ้างครึ่งเดือนบ้างมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยนะคือคนจรนจัดเนี่ย ถูกรบกวนเสมอก็คิดกันว่าในเวลาที่คนเหล่านั้นมาก็ก็มีที่อยู่ดังนี้แล้วจึงสร้างศาลาสร้างศาลาใหญ่กลางพระนครสร้างที่เก็บของไว้ส่วนหนึ่งสร้างที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งของศาลาผู้คนเหล่านั้นก็ทราบบอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วก็มองเห็นประโยชน์ว่าแน้พวกเราก็พึงไปนำพระพุทธเจ้ามา พระ อ, องค์ก็เสด็จมาถึงสถานที่พวกเขาด้วยพระ อ, องค์เองวันนี้พวกเราจาักอาราธนาเพราะงคือจะราดนาพระเจ้าให้มาพักก็ถือว่าเป็นมงคลลนะถ้าพระเจ้ามาพักที่เรือนที่อะไรต่างๆก็เลยนิมนต์แลกนะทุษสีโลได้แก่พวกไม่มีศีลศีลวิปปโนคือมีศีลวิบัต ก็แกว่ามีสังวรสลายแล้วศิลสังวรวิริยะสังวรขันติสังวรเนี่ยยาณสังวรเป็นต้นเหล่านี้สลายกระหัตเลี้ยงชีพยด้วยการหมั่นศึกษาศิลปะไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมวณิชกรรมพังเผอไปด้วยการทําปฏิบัติเป็นต้นเนี่ยนีไม่สามารถจะทําศิลปะนั้นให้สําเร็จตามเจตนาได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นใรากฐานของเขาก็พังพินาศแต่ในเวลาคับแค้นกระทาปาณาติบาตอาทิย่อมเสื่อมโภคะใหญ่ด้วยอำนาจแห่งโทษฝ่ายวันประชิดทุศีลย่อมถึงความเสื่อมจากศีลจากพุทธว จ, จะนะจากชาลและจากอริยทรัพย์ก็บอกว่าถ้าคารวะเนี่ยคารวาไม่มีศีลเช่น ถ้าคนไม่มีศีลในที่สุดจริงๆก็เอาเอาเอ า, เอารัพย์ไว้ไม่ได้รักษาทรัพย์ไว้ไม่อยู่ครัเพราะทีนี้โดยเฉพาะท่านเน้นเรื่องทรัพย์ภายในเนี่ยไม่อยู่แน่นอนทซั์คือศรัทธารัพย์คือศีลซับ ค, คือสุตตารัพย์คือหิริโอตปาจารค้าปัญญาเนี่ ย, ยทีนี้เมื่อไม่มีอริยทรัพย์ในที่สุดจริงๆก็เป็นคนยากจน คนยากจนเนี่ยเราเห็นคนยากจนในปัจจุบันนภพเนี่ยคือคนที่ไม่มีศีลเนี่ยในอดีตก็ไม่มีศีลไม่ได้รักษาศีลเ็าไว้ก็ก็ไม่มีทรัพย์ทีนี้คนที่ไม่มีศีลโดยเฉพาะถ้าไม่มีอาลัยทรัพย์เนี่ยยากจนเลยตนี้หนักเข้าหนักเข้าเนี่ยพวกอบัยศัสตร์เนี่ยถือจนจริงนะ ก็เห็นสนักบางตัวเนี่ยทั้งๆที่จะเลี้ยงให้ดีขนาดไหนก็แล้วแต่แต่วิบากเขามันจํากัดจริงๆวิบากเขาจํากัดมากคือเขาจะทุกข์มากอะ่ะไหนจะต้องมีมแมลงรบกวนมีพวกหมัดพวกมแมลงพวกตัวอะไรต่างๆรบกวนเกาตลอดเวลาแหละและไอความร้อนของเขาเนี่ยเขาจะต้องเอาออกทั้งปากอย่างเดียวทั้งผิวหนังออกไม่ได้โอ้โหแล้วไปสังเกตดูเนี่ย ในดูแววตาเขาจะรู้เลยะเขาเขาไม่มีสุขเละไม่ค่อยมีสุขอะ่ะที่แรกเรากันที่เขาเออเกิดเป็นสุนัข ก, ก็น่าจะดีใช่ไม้มที่ไหนได้ไม่ดีเลยพวกสัตว์ประหลาฉันเนี่ยไม่ดีเลยบอกโอนี่เขามีความทุกข์มากนอนก็ไม่ค่อยได้หลับไปแล้วจะหลับสักหน่อยก็มีมแมลงรบกวนนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ า, ากว่า ถ้าเป็นบันประชิตทุศีล์ก็โลกนี้ก็ไม่ได้มีความสุขไปโลกหน้าก็จกเสียหายแล้วนี่เป็นอย่างนี้อาวิสารโทรไม่องอาจขณหัดมีความกลัวว่าบางคนคนบางคนจะรู้กรรมชั่วของเราจากข่มเราหรือจกักหรือนำเราแสดงต่อราชตกูล ในที่ประชุมจำนวนมากจึงเข้าไปหาประมาคอตกหน้าความนั่งเอาหัวแม่มือไถพื้นถึงเป็นคนกล้าก็ไม่อาจจะพูดจาดังคนคารวาสก็ว่าถ้าไปพวกโจรเนี่ยนะพวกทำผิดศีลมากๆเนี่ยถ้าไปต่อหน้าทหารตำรวจหรือต่อหน้าคนมากๆเนี่ยจะ ถึงจะยังไงเขาก็ไม่มีความสุขกลัวเขาจะเปิดเผยความไม่ดีของตอนเองถึงบอกไม่กล้าไม่กล้าหานฝ่ายบัปรปะชิตมีความกลัวภิกษุเป็นอันมากมาประชุมกันบางรูปจกักรู้ความชั่วของเราเพราะพระเนีถ้ า, ากว่ามีความผิดคือเป็นอาบัติเป็นต้นเหล่านี้เขาไม่ให้ลงอุโบสถกรรมเป็นต้นเหล่านี้นะ ไม่ให้เข้าหมู่ไม่ให้เข้าคณะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสียหายแล้วภิกษุบางรูปที่ทุศีนเที่ยวไปประดุดภุ่มภิกษุบางรูปแม้ทุศีนก็เที่ยวไปประดุดผู้ไม่ทุศีนแม้ภิกษุนั้นก็ย่อมเป็นผู้เก้อเขินโดยอัธยาศัยทีเดียวเมื่อภิกษุทุศีนนั้นนอนบนเตียงเป็นที่ตายกรรมชั่วย่อมปรากฏภิกษุทุศีนนั้นลืมตาขึ้นก็เห็นโลกนี้หลับตาก็เห็นปราโลก